ยินดีต้นรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูพุ์อาภิปุณโน่ในวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทีก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องฐานะหประการบ้างสประการบ้างเป็นเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้ เรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านบุฟังวันนี้เราจะเจริญเมตตาภาวนาเราจะแผ่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทุกที่ทุกต่กางเริ่มจากการที่เราตั้งจิตไว้ให้ดีท่านบุฟังเรามาเจริญปรมิหารสีกันกำหนดดูรู้อยู่ที่ลมหายใจของเรา ทำให้เป็นธรรมชาติเขาก็รู้ออกก็รู้บางคนอาจจะหายใจแรงๆสักสองสามครั้งรู้อยู่ที่ไหนแล้วก็ตั้งจิตไว้ณนะที่ตรงนั้นมีความคิดนึกใดๆผ่านมาก็ไม่ตามความคิดนั้นไปไม่ลืมหลงหลอมหายใจตั้งจิตของเราไว้อยู่กับลมพอเราตั้งจิตของเราไว้อยู่กลมสักครู่หนึ่งแล้ว ตอนนี้เรามาตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาคือให้มีเมตตาเกิดขึ้นในใจของเราจะทำไงให้เมตตามีเกิดขึ้นในใจของเรารือถึงเรื่องที่จะให้เกิดความเมตตาไงเป็นย บ, บเหมือนมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกจากคันของตนจิตใจนี่จะเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตากับลูกคนนี้ ที่ว่า ล, ลูกคนนี้ทำให้เจ็บขนาดนี้แต่ก็ยังรักได้ไม่ได้คิดจะปรารถนาร้ายให้เขาได้ไม่ดีอะไรเลยหรือจะต้องมีเงื่อนไขว่าคุณต้องหยุดร้องนะแม่ถึงจะรักไม่มีเลยยิ่งร้องยิ่งรักมันจะร้องหรือมันจะไม่ร้องไม่ได้แคร์เลยรักหมดหมันจะถ่ายอุจาระมันจะกินข้าวหรือไม่กินข้าวไม่แคร์เลยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเล ย, เลยรักหมดมีเมตตาหมดมเมตตาเนี่ย แพ่ไปส่งกระแสไปแพ้ไปส่งกระแสไปเมตตาเนี่แหละตั้งขึ้นเอาไว้ท่ามกลางอกของเราในจิตใจของเราให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่รูขุมขนตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าอิ่มเอิบอยู่ทั่วทุกอนูขุมขนของตัวเราเลยให้ตัวเรานั้นชุ่มแช่ยอยู่ด้วยกระแสแห่งความเมตตานี้เหมือนมานดา ตีคลอดลูกคนแรกออกมาแล้วมีกระแสแต่ความรักความเมตตาตั้งเอาไว้ไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวนะแม่นิทั้งวันนะไม่ใช่แค่วันสองวันนะเป็นอาทิตย์นู่นนะไม่ใช่กค่เป็นอาทิตย์แต่เป็นปีโอ้ยจนตลอดชาตินู่นนะกว่าที่ว่าจะลูกคนหนึ่งโตมาได้ไมีแต่ความรักความเมตตาไม่มีเงื่อนไขที่เด็กกำลังฝั่งเราตั้ ง, งจิตของเราไว้อย่างนี้ แปรไปแปรไปแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อเรียบไว้เหมือนกับคนเป่าสังคนเป่าสังมีกำลังอัดอยู่ที่ปอดโดยกำลังกระบังลมของเขาเวลาพ่นลมออกไปทำรูปปางที่เหมาะสมผ่านสังออกแล้วเสียงยมันจะกลงวานไปทุกที่ทุกทางทุกที่ทุกทางเลย เมือกันเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่จากนั้นให้ตั้งจิตไว้ ด้วยกับตรุณามุทิตาและอุเบกขาฉันเป็นจิตกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีพยาบาทประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อกำหนดใดๆไม่มีประมาณตั้งไว้ชนิดที่เรียกว่าไม่มีจะหมดให้หมดกับทุกสรรพสัตว์ ไม่เว้นใครไว้ไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ว่าจะมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าไม่ว่าจะมีกายยาบหรือกายละเอียดไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่ว่าจะเห็นได้หรือไม่เห็นให้หมดให้ทรงกระแสของกุณนามุนิตาและอุเบกขาแพร่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในติดเบื้องหน้า เบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างปเปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสีทิศแม้ฉันใดแต่ต น, น, นก็ตั้งจิตไวมันเป็นไปด้วยกับเมตตารุณามุทิตาและอุเบกขา แปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตรงมีความสุขตรงมีความเกษมตรงมีความเจริญอาล่ะคุฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาแล้วสกักครู่หนึ่ง ตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะในหัวข้อที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกกุปมาอุปมยอธิบายบอกสอนเอาไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปัญญาอันยิ่งทุกบุฟัง ที่ทนได้สะสมมาอย่างยิ่งสะสมมาแล้วตัวเองทำเองให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึง้งมาบอกมาสอนเพื่อว่าให้คนในสมัยปัจจุบันได้พ้นจากความทุกข์ทมฟังตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบันมานี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็เพื่อช่วยให้สัตว์โลกนั้นพ้นจากความทุกข์นั่นเอง ทุกอยู่ในกับประวัติทุกด้วยความสุขทุกด้วยความทุกทุกด้วยความเกิดทุกด้วยความตายทุกด้วยเจอสิ่งที่น่าพอใจพลาดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจมีความทุกข์หมดเวลาเราฟังธรรมะนั้นเพื่อดใจเหมืนพ้นทุกข์จริงๆนะบคนก็หนีเสือปะจระเข้ไงไม่ให้หนีเสือจากความทุกข์ อยู่เจอในชีวิตประจำวันเออมาศึกษาธรรมาคิดว่ามันจะดีดั้นมาปะจระเข้ในความที่ว่าศึกษาแล้วกลายเป็นเครื่องให้ยึดถือยึดติดเข้าไปอีกออกจากปัญหาหนึ่งก็มาเจออีกปัญหาหนึ่งเราจึงต้องมีการทําจิตให้สงบซะก่อนดูฟังตทำจิตให้สงบกันสักครู่นหนึ่งไม่จิตใจนั่นมันก็ไปก้องแวะแต่มีการแยกแยะสงบแล้วเออมาฟังทำดู ลักษณะที่พระพุทธเจ้าให้แนวทางไว้ในการที่จะป้องกันจิตเหมือนกับให้เครื่องมือในการที่จะไปจับงูพิษมีไม้ง่ามาเสร็จแล้วกดงูไว้ก่อนจับไว้เหมือนก็จะโอเคถ้าไม่ให้เครื่องมือมาไปจับงูพิษด้วยมือเปล่าถูกมันโฉกัดได้เหมือนกันเราจะศึกษาธรรมะ ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยได้ก็ให้มีวิธีการศึกษาให้มีความละเอียดรบอบก็บโดยการทำสมาธิกันก่อนหัวข้อที่ต้องกันจะทำความเข้าใจในวันนี้ต้องฟังส่วนหนึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงฐานะ4ี่ประการฐานะเรื่องศีลฐานะเรื่องกำลังใจฐานะเรื่องความบริสุทธิ์แล้วก็ฐานะเรื่องปัญญา ฐานะทั้งสี่ประการนี้จะรู้ได้อย่างไรอันนี้เราก็ว่ากันไปแล้วข้าพเจ้าก็ไปทําการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงฐานะอื่นๆต่างๆอีกฐานะแห่งการรู้ได้คือในเหตุผลที่ผ่านมาและฐานะแห่งการที่จัดทำได้ละ่ะคือเรารู้อยู่ว่าคนเนี้มีศีลหรือตัวเรามีศีลหรือไม่รู้อยู่ว่าคนนี้ยเขามี ความบริสุทธิ์หรือตัวเรามีความบริสุทธิ์หรือไม่รู้อยู่ว่าคนนี้เขามีกำลังใจหรือตัวเรามีกำลังใจหรือไม่หรือรู้ว่าคนนี้เขามีปัญญาหรือตัวเรามีปัญญาหรือไม่ก็ดูจากศีลคืออยู่รวมกันบริสุทธิ์คือก็ดูจากคำพูดกำลังใจก็ดูจากการที่ตกอยู่ในสถานการณ์หรือปัญญาก็ดูจการ สนทนาใช่ไหมละ่ะแต่ทีนี้ว่าแล้วคนเรามันจะมามีศีลฝึกให้มันมีได้ฝึกให้มันบริสุทธิ์ได้ให้มีกําลังใจได้มีปัญญาได้หรือสิ่งที่ดีๆมันจะมามีได้มันมาได้ไงฐานะไหนเออที่จะทําให้เกิดศีลสมาธิปัญญาหรือความดีต่างๆฐ า, านะไหนที่มันจะให้เกิดไม่ได้ละ่ะเออวิธีการดูจมวังไม่ยาก ในประสูติใกล้ๆกันเลยในอังคุตานิกายก็จึงพูดถึงฐานะอีกสี่ประการหนึ่งที่ทําไมคนที่เขาสามารถทําความดีได้เขาถึงทําคนที่ไม่สามารถทําความดีได้ทําไมเขาถึงไม่ทำํำทั้งๆที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรทําแล้วจะเป็นสุขไปนาน อะไรทำแล้วจะเป็นทุกข์ไปนานทั้งๆ ท, ที่รู้แยกแยะอะไรต่างได้แต่ว่าเอทำไมถึงบางคนทำทำไมถึงบางคนไม่ทำนี่ท่านจึงแยกแยะออกอธิบายไว้ให้ฟังประตุนี้มาในอังคุตระนิกายหมวดที่หข้อที่115ชื่อว่าฐานะสูตร โดยการเอาตัวแปรตัวนึงเข้ามาเปรียบเทียบด้วยนั่นคือเรื่องของความน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจในสิ่งที่ทำนั้นสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยคุณชอบหรือคุณไม่ชอบในที่นี้ตัณฑจกักวกพอใจหรือไม่พอใจพอใจนี่คือมันน่าชอบใจหรือมันไม่น่าชอบใจแล้วก็เอาประโยชน์ ที่จะได้รับมาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งหากถ้าทำแล้วคุณจะได้รับประโยชน์หรือคุณจะได้รับความชิบหายเขามาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งจับคู่กันไปจับกู้กันมาแล้วก็จะได้ฐานะสี่ประการฐานะสี่ประการที่จับคู่กันไปมาประบางตัวแปรสองตัวคือสิ่งที่ทำว่ามันจะน่าพอใจหรือไม่ แล้วผลดีจะได้รับว่ามันจะดีหรือมันจะชีบหาย2ตัวแปรจับผู้ได้สี่ลักษณะก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มได้โดยรายละเอียดเป็นอย่างนี้หวกฝังว่าบางครั้งหรือฐานะนาทีหน่งนะเออทำไมบางคนทําสิ่งที่ไม่น่าพอใจคือตัวเองไม่ชอบนะไม่ชอบสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ชอบทําเนี่ยสิ่งเนี้ยแต่ว่าถ้าทําแล้วเนี่ย มันจะเป็นไปเพื่อความชิบหายใช่ไหมแต่ดันยังทำอ่ะเออไม่ทามันเป็นงินได้ส่วนบางคนสิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันที่ว่าถ้าเมื่อทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เออแต่เขาก็ทำเขาทำไมไม่เหมือนพวกแรกที่ถ้าทํแล้วเป็นไปเพื่อความชิบหายดันทาแต่ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ดันไม่ทำแต่ทั้งที่มันไม่น่าพอใจแต่พวกหนึง่ง ไม่น่าพอใจเหมือนกันสิ่งที่จะลงมือทำนี้แต่ถ้าทําไปแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อะยอมทําเปิด น, นี่ก็อีกพวกหนึ่งอะทำไมเขาถึงยอมทําได้ในชานณะที่สามุกพวกที่ดูเห็นแล้วว่าเฉพาะหน้าหนิฉันชอบทําฉันพอใจที่จะทําหมายถึงว่ามันเป็นไปเพื่อความน่าพอใจแต่ถ้าทําแล้วนะจะเกิดโทษเกิดความชิบหายต่อไป ไม่แค่ไม่สนลงมือทําอยู่ดีเขาทำไมก็ทำแบบนั้นนะในขณะที่อีกบุคคลหนึง่งสิ่งที่จะลงมือทํานี้ก็น่าพอใจอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้วยเขาก็ลงมือทําได้ความแตกต่างกันตั้งบุฟังนี้ตรงยกตัวอย่างถึงจะเห็นชัดสิ่งที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมแล้วทําไปแล้วจะมีโทษมีความชี้หายตามต่อมาเนี่คือลักษณะที่ ค่าศัตร์ต้องขุดบ่อดักปลาต้องได้รับความลำบากในกระบวนการที่จะต้องทำลำบากแล้วเนี่ยแถมยังจะต้องไปตกนรกอีกนะตกนรกเพราะว่าผิดศีลไงตกนรกเพราะว่ามีความเห็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไงตัว อ, อย่างเช่นคนที่ต้องขุดบ่อดักปลาคนจะต้องไปฆ่าสัตว์หาเลี้ยงชีพหรือพวกที่ทาทุกกิริยา ตอนทำนี่ไม่ได้สบายนะลําบากนะที่ต้องแบบเข้าออป่าล่าสัตว์หรือต้องทําทุกกรักกิริยาให้ตัวเองทรมานทรมานแต่ด้วยความเข้าใจคิดว่ามันดีไงด้วยความเข้าใจคิดว่าเออฉันก็ได้กินเนื้อฉันก็ได้ปลาฉันก็ได้สิ่งที่ฉันจับมาได้ได้กินความเข้าใจแค่ผิวเผินตรงนี้ยอมลําบากลําบากอยู่นะลำบากแต่เข้าใจคิดว่ามันจะดี ไม่ได้เข้าใจถึงประโยชน์หรือโทษที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงกูคือไม่ได้แค่์นำซ้ำบางทีเข้าใจว่าถึงจะเป็นผลดีต่อไปอย่างพวกทำทุกขกรรมิยานี่เข้าใจามันจะมีผลดีในการข้างหน้าแต่ฉันทำตัวให้เป็นสุนักทำตัวให้เป็นลาอยู่สัก 2-3 ส, สามปีหรืออดอาหารนี่เพื่อจะได้ถึงความบริสุทธ แต่ว่าทิฐินี้ไม่ถูกต้องจะนทำไม่เกิดความชิบหายความชิบหายในที่นี้ดูจากเวลาต่อไปด้วยรู้จักลักษณะที่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นด้วยผลผิดสี่นี้ก็เหมือนกันลักษณะที่ต้องไปฆ่าสัตว์เึีเอาข้อนี้ข้อเดียวนะจำฟังยังไม่ได้รวมถึงการลักทรัพย์เพราะว่าการลักทรัพย์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ดูได้ชัดเจนว่คุณต้องไปลำบากอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงการฆ่าสัตว์ต้องไป จับสัตว์ในป่าต้องเผชิญความลำบากนะั่นคือสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดว่าจะได้ประโยชน์เป็นวุธิสำตุกรกิจยาคิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือได้โทษได้โทษในความที่ว่าจะต้องไปตกนรกเป็นลักษณะนี้คือความเข้าใจผิดนั่นเองยอมลำบากเข้าใจว่ามันจะดีแต่เป็นไปเพื่อความชี้หายเป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น กรณีของคนที่ไปดักสัตว์ในปา่าเบียดเบียนตัวเองด้วยลําบากเบียดเบียนสัตว์ป่าด้วยในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาต่อมาอีกในชาติหน้าเบียดเบียนตัวเองอีกเพระต้องไปตกนรกพวกปริพานธ์โชคที่ทำรุกรากิริยาปัจจุ บ, บันเบียดเบียนตัวเองเพราะว่าต้องประสบความลําบากเบียดเบียนคนอื่นในเวลาต่อมาเพราะว่าถ้ามีคนมาศรัทธานับถือเชื่อปฏิบัติตามความศรัทธานั้นเป็นใบเพื่อ ความงมงายเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองแห่งปัญญายังเบียดเบียนด้วเองเดี๋ยวละต่อไปต่อไปอีกว่าตายไปชาติหน้าแล้วไม่ตกนรกไม่สามารถที่จะให้พ้นจากความทุกข์ได้นั่นคือประการที่1นึยกตัวอย่างให้ฟังแล้วคือเรื่องของการที่ต้องไปลำบากฆ่ า, าสัตว์แล้วก็การที่ทําทุกขกิริยายเป็นตน้นประการที่สองดิว่าไม่น่าพอใจนะแต่ว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนงานที่ไม่น่าพอใจมีเยอะแยะเต็มบุฟังแต่ว่าเป็นงานสุจริตไงเป็นงานที่ไม่เบียดเบียนใครไงงานที่ไม่น่าพอใจที่ต้องเบียดเบียนคนอื่นนะเมื่อสุกรู่คือไปดักสัตว์ในป่ายิ้มต้นแต่ว่างานที่ไม่น่าพอใจใช้รายงานมากๆล ำ, กลำบากลําบากเช่นดับกระสิกรรมหรือว่าลักษณะงานก่อสร้าง ที่ต้องใช้แรงกายอย่างมากมีความลำบากอยู่ปัจจุบันเนี่ยเห็นได้เลยคนทำงานนอกบ้านทั้งร้อนทั้งเหนื่อยรับอารมณ์คนอีกแต่ว่างานเนี่ยเป็นสุจริตนะเป็นสมาอาชีวะไม่ได้โกใครททำอย่างสุจริตไม่ได้เบียดเบียนใครอ่ะนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไงประโยชน์ยังไงประโยชน์ทั้งในเวลา ต่อมาคือบานเกษตรงานเกษตรใช่ไหมคนที่เป็นลูกค้าก็ได้รับประโยชน์เราเราก็ด้รับค่าจ้างนี่คือในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาต่อมาอีคือตายไปขึ้นสวรรค์นี่ประโยชน์2ต่อถึงแม้ว่ามันจะลาบากก็ไม่เป็นไรแต่มีประโยชน์อันนี้ก็สมัยสมผลถูกไหมน้ำหวาง ประเด็นคือว่าเอ๊ะแล้วทําไมพวกแรกอ่ะเขาก็ต้องทําสิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันใช่ปะแต่ว่านั้นกลเป็นไปเพื่อความชีบหายเบียดเบียนคนอื่นตัวเองด้วยในขณะที่เป็นงานที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันเป็นงานลําบากเนกันนะเป็นงานที่ลําบากเหมือนกันแต่ว่าทําไปแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ทําไมเขาไม่มาทำอันนี้กคนนั่นเลยสิท่านผู้ฟังแต่ตอนที่งานมันก็ไม่น่าพอใจเหมือนกันงานก็เป็นงานที่ลําบากเหมือนกันนะแล้วทําไมคุณไม่ทำอันที่คุณ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ล่ะทำไมคุณไปทําอันที่เป็นไปเพื่อความชิพหายล่ะก็ปัญญาคนเรามันไม่เท่ากันคนที่เป็นคนโง่มีปัญญาน้อยทางนี้ที่ว่างานลําบากเหมือนกันนะแต่เป็นไปเพื่อความชิพหายเนี่ยทําคนฉลาดหมายถึงบัณฑิตนะก็ลําบากเหมือนกันอนะ่ะแต่ว่าอันไหนเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาก็ทําอันไหนเป็นไปเพื่อความชิพหายเขาก็ไม่ทำํำไง มันต่างกันตรงนี้คนเราจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดไม่ใช่อยู่ที่คุณเงินเดือนมากคุณมีฐานะคุณแต่งตัวก็หรูคนมีฐานะคุณแต่งตัวก็หรูมีเงินเดือนมากบางทีโง่ก็มีเพราะว่าธรรมราําเป็นไปผู้ความชิบหายแต่คนฉลาดอาจจะต้องทำงานน่ะลำบากเป็นเกษตรก ร, เ, ร, กรเป็นคนแบกหาม เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นคนกวนาดขยะลําลบากนะระบากในที่นี้หมายถึงได้ต้องทําสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะแต่ว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพราะอะไรเป็นสัมมาชีวะไม่ได้เบี่ยปีนใครเออแล้วเขาทาอันนี่เป็นบัณฑิตไงคือเคสของเปรียบเทียบระหว่างบัณฑิตและคนพานในกรณีของคนดิไม่ได้มีเงินมากในกรณีของคนดิ ยังต้องลำบากในการทํางานหรือจะฐานะที่หนึ่งและฐานะที่สองฐานะที่3ฐานะที่4ี่ที่ท่านเปรียบเทียบส่วนต่างไว้นี่ก็ลักษณะเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันกเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันมันหมายว่าไงเหมือนกันในความที่ให้เห็นระหว่างประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและความชิบวช้ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าคราวนี้ทํางานสบายสบายละเหมือนสบายสบา ย, บายทำงานง่ายๆทํางานดีๆ ทำงานที่มันไม่ได้ว่าจะต้องใช้รายงานอะไรมากถูก่าย ไ, ไม่ต้องลาบากนะสิ่งที่ไม่ต้องลาบากสบายๆทำแล้วมันพน่าพอใจแน่ล่ะเช่นกินดื่มเที่ยวมีเค้กมีค้กแต่สิ่งเหล่านี้ทำไปเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความชิบหายนะเป็นไปเพื่อไม่เกิดประโยชน์ในเวลาต่อไปเป็นไปเพื่อหนึ่งอ่ะ ปัจจุบันนีมีความสุขอยู่ก็จริงน่าพอใจแต่เวลาต่อไปนี่คุณถูกจับได้หนีจะต้องมีคดีความนะโกงอย่างเงี้ยรับเงินมาเนาะเนา ะ, ะใต้โต๊ะเสร็จแล้วก็ไปซื้อของซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรได้ใช่ไหมละอันนี้ก็เป็นความน่าพอใจนั่นแหละแต่พอเวลาต่อไปพุถูกจับได้เงี้ยถูกจับได้เรื่องมีคู่ครองมีกิ๊กอะถูกจับได้เรื่องโกงอย่างเงี้ย โอ้เป็นไปเพื่อความชิบหายนะในเวลาต่อไปเดีวเวลาต่อไปต่อไปอีกชาติหน้านี่ตรงนรกนะอ๋อทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะมันเป็นไปเพื่อความชิบหายแต่ว่าก็ทกกําก็หนามพอใจไงหน้าพอใจนะแต่ว่าก็เลยไม่ได้แคร์หรอกว่ามันจะชิบหายยัง ต, ตอนนี้มีความสุขก่อนหน้าพอใจก่อนทําในขณะที่สิ่งที่น้าพอใจเหมือนกันนะ่ะแต่ว่าทําไปแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์บางคนไม่ทํำไง เดินไปทำสิ่งทีมันจะไม่เกิดประโยชน์แต่หน้าพอใจแต่คนที่เขาทำก็มีคนที่เขาทำอย่างเช่นคนที่เขาไปฟังธรรมเขาชอบฟังนี่ฟังแล้วเขาก็มว่วนฟังแล้วเขาก็ชื่นฟังแล้วเขาก็ได้ความรู้เขายินดีฟังก็มีบางคนก็ชอบจัดดอกไม้จัดดอกไม้จัดพวงมาลัยชอบทำพวกนี้บางคนทำอาหารไปถวายพระที่วัดเออสิ่งเนี้ย ทำรถอร่อยอร่อยดีๆเป็นสิ่งที่น่าพอใจพอใจอยากจะทำพอใจที่จะลงมือทำพอใจที่ซ้ำแล้วเป็นไงเป็นใบพื่ประโยชน์ประโยชน์ในทั้งกับตัวเองตัวเองก็เป็นงานที่ตัวเองพอใจจะทำใช่ไหมประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นทีว่าได้เหลืองผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันนี้ตัวเองผู้อื่นแล้วต่อมาอีกต่อมาอีกเช่นเราให้ทานอย่างนี้ คนเขาสามารถรับประทานอาหารวันพุ่งนี้วันมะืรนนี้เขายังมีชีวิตต่อไปได้ด้วยอาหารที่เราแจกจ่ายให้แล้วก็เวลาต่อมาต่อมาอีกก็เกิดประโยชน์กับตัวเราในความที่ว่าเราได้ไปสวรรค์เพราะมีการให้ทานมีการฟังธรรมะมีการรักษาศีลคำถามมันก็คือว่าก็ในเมื่อทำสิ่งที่ชอบใจเหมือนๆกันนะแต่ทาไมเขาไม่เลือกทำ สิ่งที่ว่าฉชอบใจทำละแล้วเกิดประโยชน์ทําไมก็าดันไปเลือกทําสิ่งที่น่าชอบใจเหมือนกันละแต่เป็นไปเพื่อความชิพหายอะ่ะทำไมถึงไม่ทําสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ดันไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ก็เพราะเขาใจผิดไงท่านูฟังเข้าใจผิดว่าไอ้สิ่งที่น่าพอใจที่เลียงทาเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แต่ดูไม่ขาดไงที่เข้าใจผิดนั่นก็ว่าโง่ไง โงคือคนพาลคนพาลเข้าใจสิ่งที่น่าพอใจที่ตัวเองกําลังทาอยู่นี้ว่ามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แต่จริงๆมันเป็นโทษเช่นการดื่มสุราเช่นการขโมยของรับตายโต๊ะคิดว่าจะเป็นประโยชน์แต่ไม่รู้หรอวามันจะเป็นโทษก็ถ้ารู้ว่ามันเป็นโทษเนี่ยเขาก็มีปัญญาขึ้นไปหน่อยไงแต่มีกําลังที่จะทํำไหมแมแต่สถานการณ์มันยู่ขั้น สถานการณ์มันก็บีบคั้นเฉพาะคนโง่ได้ตอนนั้นแหละที่ไม่ได้รู้จักที่จะหาทางออกได้แต่ถ้าคนฉลาดนะสิ่งที่น่าพอใจที่เัวเองจะทําเขาจะรู้ว่าอันนี้มันยแยกแยะได้ละ ว, ว่าเป็นใบเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ทาอันไหนเป็นประโยชน์เราก็ทําลงไปยแยกแยะได้หรือไม่ได้นั่นคือความเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาน หรือเป็นคนโง่หรือคนฉลาดอย่างเงี้ยตรงนี้ท่าผู้ฟังเราบริชาต้องการจะแบ่งถึงคนที่มีอันจะกินคนที่เติบโ ต, ตขึ้นมามีการศึกษามีเงินทองพอประมาณคือพูดง่ายๆตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไปเลยละ่ะวีดเดอรคลาสขึ้นไปเนี่ยคุณก็ยังพอทำสิ่งอะไรที่มันจะน่าพอใจได้บ้างใช่ละ่ะซื้อข้าวซื้อของอะไรมากินหรือว่ามีความรู้อะไรที่พอจะทางานได้ เป็นพนัก ง, งานออฟฟิศเป็นเจ้าของธุรกิจมีความเข้าใจเป็นข้าราชการเป็นทหารหรือเป็นอะไรก็ตามอันนี้เรียกว่ายังทําสิ่งที่น่าพอใจได้แต่กระาที่สําหรับคนที่ทําสิ่งที่ไม่น่าพอใจนี่คือคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติมีความยากจนลำบากข้นแค้นนี่คือก็จะทําสิ่งอะไรก็ตามมันก็จะมีแต่ความที่ไม่น่าพอใจอนั้นน่ะกรณีที่3ที่4เนี้ คือสำหรับคนมั่งมีคนที่พอมีพอกินกรณีที่หนึ่งที่สองนี่คือสำหรับคนยากจนคนลำบากคนแค้นไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนตั้งฝังก็สามารถโง่ได้ก็สามารถฉลาดได้ถ้างโง่หมายถึงคนพานจะทำอะไรก็ทำอะไรที่ตัวเองสามารถทำได้ไม่ว่าจะพอใจหรือไม่น่าพอใจนั่นก็ตามแต่เป็นไปเพื่อความฉิบหายเป็นไปเพื่อความตกตาม เป็นไปพวความไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะอะไรนะเพราะนั่นคือกำลังของคนผ่านมันก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าบันดินไงบันดิตนี่จะทำสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วเกิดประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นและแก่ทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อประโยชน์ในเวลาปัจจุบันในเวลาต่อมาและในเวลาต่อมาต่อมาอีก นี่คือบอกว่าบัณฑิตสุดๆเลยนะไม่ว่าคุณจะมั่งมีหรื อ, อยากจนจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าคุณจะมั่งมีหรื อ, อยากจนจะทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อความชิหายก็ได้นี่คือกำลังของบัณฑิตเนี่ยทกวางคือความแตกต่างกันระหว่างกำลังของคนพาลและกำลังของบัณฑิตคนพาลก็จะมองไม่เห็นเท่าไหร่ไม่มีกำลังในข้อนี้ว่าประโยชน์มันจะเป็นยังไง บัณฑิตก็จะมีกำลังของบัณฑิตที่จะมองเห็นข้อนี้ว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงเพราะตรงนี้มันจึงเป็นเกรสเกลยมเงินด้วังคนเราก็อาจจะไม่ได้ว่าชั่วชั่วชี่ช่วเลยก็มีแหะนะนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางๆไม่ใช่ทางสายกลางเนอะฝังหมายถึงกึ่งๆึงชั่วกึ่งๆึดีกึ่งๆึงชิบหายกึ่งๆประโยชน์นี่แหละไม่ว่าจะชนคือทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือจะรวย ทำสิ่งที่น่าพอใจได้แต่ถ้าสิ่งที่คุณกําลังจะทําไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจในั่เองก็ตามเนี่เป็นประโยชน์หลายชั้นประโยชน์หลายชั้นคือปัจจุบันเวลาต่อมาเวลาต่อมาต่อมาอีกเอาเวลาเข้ามาจับหรือประโยชน์ที่กับตัวเองผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายเอาบุคคลเข้ามาจากเพราะฉะนั้นบางสิ่งนะที่คุณกำลังจะทําเำหนวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นปัจจุบันนี้ แต่ว่าไม่ใช่เป็นไปเพื่ออนาคตแสดงว่ามีกําลังของบัณฑิตอยู่แต่ยังไม่เต็มที่มีส่วนที่พัฒนาได้โยเราคือไม่ได้ถึงขนาดว่าพานจนกระทั่งแบบชิบหายหมดทั้งตนเองผู้อื่นสองฝ่ายเวลาปัจจุบันต่อมาต่อมาอีกนี่โอ้โหนี้ก็โง่เต็มที่เลยล่ะนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันชิบหายอนาคตอยู่แต่ว่าปัจจุบันมันยังเป็นประโยชน์ได้บ้างเออ น, นี่ก็ยังแบบว่า แห่พอมีปัญญาขึ้นมาบ้างส่วนที่เป็นคนพานก็มีไงอาจจะเป็นประโยชน์กับตนเองแต่ว่าเป็นความไม่เอื้อเฟื้อแก่คนอื่นเป็นความชี้หายแก่คนอื่นในเวลาต่อไปต่อไปอีกอย่างนี้อันนี้ก็มีคุณส่วนที่เป็นบัณฑิตอยู่ส่วนพานก็มากอยู่เช่นบางคนที่ว่าจะต้องโกงคนอื่นเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกเมียตัวเองอย่างเงี้ยนะอาเป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นเฉพาะคนในครอบครัว แต่เบียดเบียนชิบหายกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในเวลาปัจจุบันแต่ชิบหายในอนาคตอย่างนี้ก็มีความเป็นบัณฑิตส่วนที่ว่าเกี่ยวข้องด้วยครอบครัวลูกเมียใช่ปะสามีหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเป็นคนพานในส่วนรวมเลยคนเรานี่มันจึงมีทั้งความเป็นพาลและความเป็นบัณฑิตอยูใ่ในตัวของตัวเอง อยู่ี่ว่าสเกลมันจะเป็นอยู่ตรงไหนและในที่นี้นะฟันโดงบอกให้ได้ว่าไม่ได้เอาตรงกลางกลางนะเราจะคิดว่าทางสายกลางก็คือว่ากึ่งกึงนะเอาทั้งพานด้วยเอาทั้งบันดิตด้วยโอ้นเด็กินไม่ถูกแล้ที่บว่ากลางนี่ก็คือถ้ามันมีซ้ายแล้วก็ทํามันมีขวาแล้วก็อยู่ตรงกลางก็แล้วกันเนี่ยดูอย่างในปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรนี่ระบุถึงทางสายกลางใช่ไหมสุดตรงสองข้างอะซ้ายนี่คือเสพกามเต็มที่เลย ขวานี่ก็คือทุกกับนักกิริยาเต็มที่เลยทําตัวให้ลําบากทางอันนี้กลางๆก็คือเดี๋ยวตอนกลางวันลําบากตอนกลางคืนสบายก็แล้วกันอยู่กลางๆหรือลําบากนิดหน่อยก็สบายนิดหน่อยตรงกลางๆอันนี้มันเข้าใจผิดแล้วทุกวางทางสายกลางไม่ใช่หมายถึงกลางๆนะทางสายกลางหมายถึงทางที่สที่ไม่ใช่ว่าจะชุ่มอยู่ด้วยกามหรือว่าจะทรมานตัวเองให้ลําบากแต่เป็นศีลสมาธิปัญญา สีสมาธิปัญญานี่ยจะเป็นทางสายกลาง น, นี่พูดนอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะและแม้ตรงนี้ของเราว่าผ่านบ้างบัณฑิตบ้างนี่ไม่ใช่กลางนะแต่ต้องละความเป็นคนบาปเอาความเป็นบัณฑิตนี่ถึงจะ ก, กลางนี่คือเป็นทางที่เราต้องการจะไปไงคือเราจะออกจากทางที่เป็นทางต่ําคือความเป็นคนบาปมาสู่ทางที่จะไปถึงนิพพานคือความเป็นบัณฑิตเราก็ใช้สรรทการต่างๆแบบนี้เราจึงพัฒนาได้อย่างโดวยวา่า ถ้าเราไม่เข้าใจนะว่ามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือความชิบหายอย่างไรเนี่เราก็จะไม่ได้ค่อยแคร์ไม่ค่อยได้จะพัฒนาเท่าไหร่แต่คือคนปานแต่พอเราเข้าใจสถ า, านการณ์ว่าโอประโยชน์มันมีหลายชั้นประโยชน์มันมีหลายระดับของแต่ละบุคคลอ่ะเราค่อยๆพัฒนาตรงนี้โดยการพิจารณาบันดิตต้องรู้ฐานะเหล่านี้อันไหนจะเป็นประโยชน์ไหนจะเป็นชิบหาย ถ้าคนผ่านเขาจะไม่รู้ฐานะเหล่านี้ว่าอันไหนจะชิพหายอันไหนจะเป็นประโยชน์ก็จะไม่ได้แคร์เลยไม่ได้แคร์ก็ทำๆมั่วๆไปไม่ได้สนใจมางทีก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไปก็พลาดไปแต่ไม่ได้ต้องรู้จักพิจารณาฐานะแห่งประโยชน์หรือฐานะแห่งความชิพหายประโยชน์ยังต่อไปอีกหลายชั้นปัจจุบันเวลาต่อมาและเวลาต่อมาต่อมาอีกประโยชน์ทั้งกับตนเองทั้งกับผู้อื่นและทั้งกับ2องฝ่าย พอรู้ถึงอะไรเป็นประโยะอะไรถึงความเป็นทิ่หมายแล้วกำลังของบัณฑิตตรงนี้แหละที่จะให้ทำลงไปเรามีกำลังทำตรงไห น, นเราทาตรงนั้นอย่าเอากำลังส่วนที่เป็นคนพานมาเป็นตัวลงมือทำแต่เอากำลังส่วนที่เป็นบัณฑิตนั้นมันลงมือทาความเป็นบัณฑิตในใจิตใจของเรามันก็จะเพิ่มขึ้ น, นเองฐานะที่จะเป็นไปได้นะของการพัฒนาตรงนี้ มีเรอหนึ่งในประสูตรข้อที่481เรื่องฐานะสูตรนี่เหมือนกันแต่เป็นฐานะของความดีว่ะทุกคุณมีศีลใครปรารถนาที่จะฟังทำมีความคิดที่ว่าเออจะให้ทานจะแบ่งปันนี่คือเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงศรัทธาที่มีถ้าพูดถึงศรัทธานะเพือฟังก็คือกำลังจิตนั่นเองกำลังคือพละพละและอินทรีย์ อินทรีและพละของจิตใจในคนนี่มันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นบัณฑิตว่าคุณมีอินทรีมีพละแก่กล้ากันหรไหนถ้าคุณมีอินทรีมีพละน้อยกำลังของบัณฑิตมันก็น้อยถ้าคุณมีอินทรีมีพละมากกำลังความเป็นบัณฑิตคุณก็มากจะรู้ได้ไงว่าให้เรามีอินทรีแก่กล้าหรือไม่เริ่มจากศรัทธาไงศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา เรื่องอินทรีย์นี่ครัพเจ้าจะมาอธิบายในตอนต่อไปนะวันนี้เอามาซิร์ซ์ให้ฟังก่อนว่าอ๋อ này, อินทรีย์นี่คือกําลังคือพละของบัณฑิตนี่มันจะมา ก, กาหรือน้อยมันอยู่ที่ศรัท ธ, ธาวิทยาสติสมาธิปัญญาใช่ไหมตัวผมบอกวิข้อนี้ศรัทธาจะมีมากได้ดูจากอะไรโดย อ, อาจจะรักษาสีนั่นไม่เต็มที่แต่ว่าใครที่จะเห็นผู้มีสีไหมใครที่จะได้ฟังธรรมไหมมีใจที่จะ ำจัดความตระหนี่สละหรือไม่ถ้ามีฐานะสามอย่างนี้นะแสดงว่าคุณมีศรัทธาซึ่งศรัทธานี่เป็นตัวเปิดเลยทังเป็นตัวเริ่มที่จะพัฒนากำลังของบัณฑิตได้ศรัทธาแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นการลงมือทำไงเพราะเรายังไม่มีศีลเราค่อชี้แจงผู้มีศีลจิตมันก็จะน้อมมาในทางศีลได้ เราจะยังปฏิบัติธรรมอะไรไปวัดนั่งสมาธิฉันยังทําไม่ได้เลยแม้แต่ว่าฉันก็ยังอยากจะฟังธรรมนะ่ะเออไความใกล้ที่อยากจะฟังธรรมแล้วก็เป็นศรัทธาใช่ไหมละ่ะทําให้เราก็เออเงี้ยในฟังธรรมด้วยในทํำยังไงนะก็ลองทําดูไปความเพียรสติสมาธิมันก็เกิดตามมาพัฒนาได้ไงหรือมีความพอใจที่จะจำแนกแจกจ่ายหรือแบ่งปันนะ่ะน้อยก็ตามมากก็ตาม10 บ, บาทร้อยบาทพันบาทฉันให้ สละออกใ้ความคิดที่จะสละออกเป็นการที่จะให้เกิดประโยชน์ขยายต่อไปละเป็นทานและที่สำคัญกว่าทานเนี่ยคือจิตมันสละความตรณีสละความตรณีออกจากจิตไปจิตมันก็สูงขึ้นได้ไงนิวรณมันถูกกำจัดได้ง่ายด้วยความตรณีที่สละออไปฐานะสามประการที่เราจะดูได้ว่าเรา พอจะพัฒนากำลังบัณฑิตในตัวเราหรือไม่ดูจากที่ว่าเราใกล้ที่จเจนผู้มีศีลหรือใกล้ที่เจนพูดผู้ศีลเราใกล้ที่จะฟังทมหรือเราใกล้ที่จะฟังสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เราใกล้ที่จะสละจะแจกจ่ายให้แบ่งปันให้หรือว่าใกล้ที่จ ะ, ะโวยของเขาเอาของคนอื่นเขาถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งในฟังที่เป็นกุศล นั่นจะเป็นกำลังของบัณฑิตที่จะพัฒนาได้ให้เกิดอินซีแก่กล้าขึ้นแต่มีข้อใดข้อหนึ่งในความเป็นพานสิ่งที่เป็นด้านอากุศลนั่นก็เป็นกำลังของคนพานที่จะดึงเราลงตามได้คนเรามันมีด้านมืดทุกคนนะมากหรือน้อยก็ไม่เท่ากันด้วยอย่าไปคิดว่าเอ๊ะฉันมีด้านมืดมากแล้วฉันจะพัฒนาด้านดีสว่างฉันไม่ได้ไม่จริงอะ หไอ้พวกที่พูดอย่างงี้อย่าประมาทนะอย่าประมาทว่าไอ้ฉันก็มีกําลังความดีมากได้ไม่ดีฉันมีเนาะเออมันทําอะไรไม่ได้หรอประมาทแล้วนะระวังนะคนดีๆเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีมีเยอะนะหรือคนไม่ดีทําไมจะดีไม่ได้ก็มีได้เราจึงต้องเข้าใจฐานะต่างๆเหล่านี้ทมอีกครั้งหนึ่งนะราวังนะนี่สองประชดกันมาแล้วนะฐานะ4ประการที่เอา เรื่องชีวิตความเป็นอยู่มาเป็นตัวตั้งในความที่ว่าสามารถทำสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วก็ให้เกิดประโยชน์หรือให้เกิดความชุพหายจึงแยกได้สีข้อตนสีประการจะเป็นตัวที่จะแบ่งถึงกำลังคนผ่านและกำลังบัณฑิตที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งจะพัฒนากาลังข้อที่เป็นบัณฑิตได้ดูจากว่าเรามีศรัทธาไหม มีอินทรีย์จะให้เกิดการแก่กล้าขึ้นจากเจ้าตัวสัทธาในี่ได้ยังไงเอา้ามีใครที่เชนคนมีศีลใครที่จะฟังธทมใครที่จะแจกจาก่ายกำจัดความตระเเหนียวไปหรือไม่เอาจุดนี้เป็นตัวพัฒนาแล้วก็ยังมีธรรมะอีกหัวข้อนหนึ่งตรบบง้ระวังที่จะช่วยส่งเสริมหรือลดทอนการพัฒนากุศลธรรมในข้อนี้ เดีจะเป็นธรรมะหัวข้อที่3าในวันนี้ที่เราพูดถึงตรร ม, มามา2หัวข้อแล้วนะท่านฟังนะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องฐานะทั้งหมดเลยนะฐานะข้อที่1นี่มี4ประการเรียกว่าฐานะแห่งความเจริญหรือความเสื่อมที่เป็นประโยชน์หรือความชีบหายทั้งฝ่ายที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนี่คือฐานะที่1นฐานะที่2คือฐานะของคนที่มีศรัทธาที่จะเป็นจุดที่จะพัฒนากําลังของบัณฑิต ที่จะลดกําลังของคนพานในใจแจของเราพูดถึงความที่ว่าเห็นตัาฐ์ภูมีศีลมีใครที่จะฟังธรรมมีการให้ทานกับจากความตนี่เป็นต้นแต่คือข้อที่สองสนทนานะข้อที่สดูทังท่าได้ตรัเป็นคาถาสั้นๆเอาไว้พูดถึงว่าคนที่จะทําความชั่วได้ตลอดแนว ชนิที่เรียกว่าเปิดทางด่วนของความไปสู่เป็นคนพานก้าวหน้าไปเรื่อยๆหมายถึงรถต่ําลงไปเรื่อยๆนั่นแหละนะนะนั่นคือการโกหกนั 6, ง้งังการพูดปดการโกหกโกหกชนิดที่ว่าลิ่มทิ่มประตูนะโกหกชนิดที่ว่าหิวหนังหน้านี่มันหนามากคือหน้าด้านๆโกหกชนิดที่ว่าหน้า ไม่อยู่แล้วคือหน้าตายแล้วโกหกชิ้นนีที่ว่าถูกจับโกหกได้ก็ยังโกหกต่อไปอีกไอ้ที่โกหกมาถูกจับได้อีกก็ไม่ยอมรับอีกคิดเรื่องโกหกใหม่ขึ้นมาต่อไปอีกคนที่แบบโกหกได้แล้วก็โกหกต่อแล้วก็โกหกอีกแล้วก็โกหกได้โกหกต่อโกหกอีกคนที่โกหกแล้วก็โกหกเนี่ยไม่ยอมรับอะไรเลยนี่นะท่านบอกว่าจะไม่มีบาปกรรมอะไรเลยที่คนคนนี้เขาจะ ทำไม่ได้คือจะทำบาปกรรมอะไรได้ต่อทุกอย่างเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงเลยไงคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยนะหลักการเป็นยังไ้นะทุกนนะสิ่งที่ถ้าปกปิดไว้มันจะเจริญเปิดเผยขึ้นมามันจะพัฒนามันมีความแตกต่างกันอยู่ปกปิดไว้ยิ่งเจริญยิ่งพัฒนาคืออกุศลธรรม คือความชั่วมิจฉาทิฏฐิความผิดยิ่งปกปิดไว้ยิ่งเจริญความสัมพันธ์ชู้สาวยิ่งปกปิดไว้ยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความชั่วแล้วเราก็ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ความชั่วนั่นแหละมันเจริญแต่ถ้าเราเปิดเผยออกใช่ป่ะยอมรับยอมรับฉันทำไม่ดีฉันทำไม่ดีความไม่ดีนั้นมันจะหยุดทันทีความดียิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญไง ธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญไงเ ป, เปิดเผยออกให้คนรู้คนปฏิบัติธรรมมากขึ้นเออพอเห็นคนนั้นก็ทำดีคนนี้ก็ทำดีเออเราก็ทำด้ความดีบ้างความดีมันก็สืบต่อไปสืบต่อไปความดียิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญความชั่วยิ่งปกปิดไว้ยิ่งจเจริญเพราะฉะนั้นถ้าเราปก ป, ปิดความชั่ว ด, ด้วยการโกหกชนิดที่เรียกว่าชัวอะไรต่อมาฉันก็โกหกหมดฉันก็โกหกหมดเพราะฉัไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ว่าเบื้องหลังนี้ทําความชั่วอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะพัฒนาความชั่วของเขาให้มันดีขึ้นได้ไงแล้วคู่คนเราก็อย่าไปเหมากันหมดนะว่าไอ้คนนี้โกหกครั้งหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันต้องโกหกต่อไปทั้งชีวิตแล้วมันก็จะดีขึ้นไม่ได้เลยด้วยการโกหกเป็นครั้งเดียวของมันนี่นี่แล้วเือว่าโกหกสองสาครั้งมาแล้วเนี่ยถูกจับโกหกได้แล้วก็กินว่าคนนี้เขาก็จะโกหกต่อไปเรื่อยในอนาคตมันไม่แน่ดูฝั่งอย่าไปเหมา มันก็ก็จะเหมาวนเลยนักการเมืองคนนี้เป็นอย่างนี้หรอกฟันตัวเขาต้องเป็นอย่างงี้หรือไอ้พวกที่ไม่ดีก็ต้องไม่ดีไปตลอดไอ้พวกที่ดีมันก็ดีไปตลอดมันไม่แน่หรอกทุกฟังมันไม่แน่สมมุติพอเราจับโกหกคนใดคนหนึ่งได้เขาก็าอยอมรับเออผมพูดผิดผมโกหกกันนั่นเองผมเข้าใจผิดไปเอาอะไรมาอ้างก็ตามเถอะนะแต่มอยอมรับว่าได้พูดผิดไปนี่เออฮะกุส่วนธรรมนี่มันจะอ่อนแรงลงทันทีเขาจะพูดอะไรต่อไปนี่เขต้องระวังล่ะ แล้ว ต, ต่อต่อไปแล้วก็ยังพูดผิดอยู่พูดโกหกอยู่ในครั้งที่สองเนี่ยถูกจับได้หรือโปะแตกแล้วเนี่ยยอมรับไหมถ้ายอมรับมันก็จบไปแล้วไงถ้ามีใหม่มาอีกยอมรับไหมถูกจับโปะได้ก็จบไปแล้วไงคือเราดูการพัฒนาเป็นครั้งเป็นครั้งดูการพัฒนาต้องต่อเนื่องมันอย่างที่พูดคราวที่แล้วเนี่ยนะว่าจะดูว่าคนมีศิลหรือทุศสินมันต้องอยู่ร่วมกันต้องเป็นเวลานา น, านไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวแล้วก็มีการขไรกรวน ก ร, รกรใกล้รัลื่อมณสิการนี่จะมาพูดถึงในเอพิโซดนี้กันระหวงเอาฐานะสี่ประการเอาฐานะสามประการมาเป็นตัวใคร้เกลื่อนมาเป็นการทำมนสิกาลปฏิบัติจะให้เรารู้ถึงฐานะนี่เราไม่ได้ว่าจะต้องไปดูกัื่นในมากมายนะระหว่งก็ดูตัวเราเองนี่แหละดูตัวเราเองว่าคุณโกหกลิ่มทิมประตูไหมสมไมว่าลิมทิมประตูดังหังบางคนอาจะไม่เคยได้ยินตำรวนนี้ เพราะว่าลิมมันอันนิดเดียวลิมเนี่ยเป็นไม้ชิ้นเล็กๆไม่ได้มีน้ำหนักหรือขนาดเท่ากับหนึ่งในสิบหกเซี่ยวของประตูไม้บานใหญ่ๆหรอกหรือประตูหินด้วยซ้ำาเขาลิมอันนิดเดียวเนี่ยกัน้นบงังงัดประตูหินที่หนักเป็นตันๆห น, า, น, า, น, นากว่ามันเป็นสิบเท่าร้อยเท่าได้ทาไมมันทำได้เรื่อ น, นี้มันแค่เล็กนิดเดียวเนี่ยเพราะมันเป็นลิมไง ลิมทิมประตูก็ยังพูดโกโหกนิดหน่อยไอ้กุศลธรรมแค่อันเดียวนี่แหละแต่ว่าใช้ไปตลอดนะใช้ไปตลอดนะใช้ไปตลอดและใช้ไปตลอดนะฮกุศลธรรมความชั่วบาปกรรมอื่นๆอันนี้มันตามต่อมาตลอดตามต่อมาตลอดนะแต่ในที่นี้กุศลธรรมนิดเดียวนะถ้าคุณทําต่อไปเรื่อยคุณทําต่อไปเรื่อยเนี่ยตรงกันข้ามกันนะ มันก็พัฒนากุศลธรรมอื่นๆตามมาได้ในความดูว่าถ้าเรายอมรับความจริงว่าอันนี้เราได้พูดปิดไปแก้ไขปรับปรุงก็ค่อยๆพัฒนาขึ้ น, พ, น, น, พ, น, น, พ, น, นพัฒนาขึ้นกุศลธรรมยิ่งใหญ่ฌานจะมาที่ก็นลึกซึ้งนิพพานมาได้จากกุศลธรรมนิดหน่อยนะั่นแหละที่เราสะสมไว้ทำไว้ไปได้ริ่มก็ะทิมประตูดได้ก็ทำไมจะเอาลิ่มออกไม่ได้เอาลิ่มออกนิดเดียวนะ ประตูนี่ความเลยนะคุณเอาไอ้เจ้าเรือนยอดนี่ตรงคือตรงจั่วที่มันสูงสุดเลยเนี่ยของเรือนเนี่ยเปิดไปนิดเดียวนะน้ารั่วไหลเข้ามานี่ย เ, เรือนพังเลยใช่ไหมละ่ะเช่นเดียวกันนะเราเอาเอาวิชาออกนิดเดียวนี่นะความรู้ความแจ่มแจ ม, ม, มันเกิดขึ้นเลยนะวิชาเกิดเอาเอาวิชาออกนิดเดียวอวิชาคือลิ่มประตูไงมันงัดเงี้ยอยู่นิดเดียวนะนะั่นแหะบังไว้ ล็อกได้หรือแม่กุญแจนี่ตัวนิดเดียวล็อกบานประตูบานม่เริ่มได้อะไรทำไมทำได้ก็เนี่แหละมันเป็นกุศลอกุศลในฝั่งที่มันจะพัฒนากันและต่อเนื่องกันไปเราเพอมีเวลาเหลือกันสักหน่อยดูฝั่งเรา เ, าเรื่องฐานะมาปิดจอบให้จบกันไปเลยยังมีฐานะอีกห้ประการดูมาฝังที่ฐานะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่า ให้ใกล้ครวญอยู่เป็นประจำนะหนะที่ควรใกล้ครว่พิจารณาเนืองเนืองแล้วก็นะน้ที่ไม่มีใครกึงจะได้หนะที่พิจารณากันเนืองเนืองก่อนก็คือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ اد, ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เราก็จะมีการพลัดพรากจากกองรักของชอบใจทั้งสิ้นและในข้อที่5คือเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ก็จะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่ามันจะดีหรือชั่วก็ตามพิจารณาหนึองหนืองทาไมถึงต้องพิจารณาหนึองเนืองเพราะว่าถ้าเรา เห็นความแก่ว่าเป็นธรรมดามันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่มัวเมาในยังความเป็นหนุ่มสาวคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มัวเมาได้มัวเมาแล้วไงประมาทประมาทแลทำอะไรทสิ่งงงงได้ทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อความชิพมาได้นั่นคือมัวเมาแล้วประมาะมันไม่เห็นความเป็นพานมันมากด้วยความเมาแต่ถ้าพิจารณาว่าเออเป็นแก่ธรรมดานะี่ะไอ้ตอนหนุ่มสาวคุณจะไม่เมา พอไม่เมาแล้วไงเหมึงก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ไงเห็นด้านทุกด้านเพราะว่าไม่เมาไม่มึนถามความเจ็บไข้อ่ะจดนาไปทําไมมีประโยชน์อะไรเหมือนจะเคยประโยชน์ตอนที่จะไม่เมาในความมีสุขภาพดีลองดูเด็ดตอนที่ไม่มีโควิดอะปีก่อนโควิดอ่ะอาโททั้งกินทั้งดืง่มทั้งเที่ยวทั้งเล่นนั่นนี่นนทําสิ่งที่น่าพอใจใช่ปะแต่เป็นไปเพราะความชิบหายอย่างงี้แต่พอมีโควิดปุ๊บอ้าว ไม่มัวเมาในความไม่มีโรคละต้องรักษาสุขภาพต้องนั่นนี่ทําสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็ไม่น่าพอใจได้ละแต่ถ้าเป็นประโยชน์เอาหมดเออนี่คือไม่เมาไงไม่เมาในความที่ยังไม่เจ็บไครไม่เมาในความเที่ยงมีสุขภาพดีอยู่และความที่เราควรจะมาพิจารณาเรื่องความตายอยู่เป็นประจำอยู่เป็นประจำนี่มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ คนอาจจะอยู่ในวัยกลางคนกว่าจจะอยู่อยู่ในวัยแก่แล้วมีชีวิตอยู่นะึกก็ไม่ได้คิดว่าจะประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตแล้วทําชัว่วอะไรทุกอย่างนะประมาทในชีวิตแล้ฉันยังอยู่ฉันยังไม่ตายไม่เป็นไรนะรั่นว่าเคยทาตอนแก่บ้างเคยทําตอนนั้นบ้างนี้บ้างแต่ว่าเราพิจารณาเราอาจจะตายพวกนี้ก็ได้นะเอ้ยมันไม่ประมาทล่ะเอาเลยเป็ความดีมาทําวันนี้วันนี้เห็นแก่ประโยชน์ปัจจุบันต่อมาต่อมาอีกอันไหนเป็นกุศลธรรมนี่ เขาจะไม่ประมาทแต่ไม่เมาเพราความที่ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นมาทําการกุกริย์กวุวรพิจารณาอยู่นเนืองๆแล้วจะทำให้เราไม่เมาในความมีเหมือนสกคุรุที่ความตายนั้นคือมันจะทําให้เราเมาในความเป็นได้กวฉันยังเป็นคนอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังเป็นนั่งเป็นนี่ได้ตําแหน่งหน้าที่พวกนี้ ความตายนี่มันจะมาช่วยให้เราไม่เมาได้แล้วส่วนสิ่งของที่มีเราจะไม่เมาในสิ่งของที่มีเราต้องพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นของไม่ว่าจะเป็นคนที่เรามีแต่เรายังมีลูกมีพ่อมีแม่มีคู่ครองรมีเพื่อนเฮ้ยตัวบักคุณต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนะโอ้โงั้นไม่เมา ไม่ประมาทในบุคคลไม่ประมาทในสิ่งของเข้าของประมาทมัวเมาในสิ่งของเข้าขอ ง, ของหรือบุคคลแล้วภาษาอังกฤกเขาเรียกว่า take it for granted take it for granted หมาก็ว่าคิดว่ามันได้ไงมาง่ายๆไ ง, งคิดว่ามีอะไรน่าเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกสุว่าพร่างกายอย่างเงี้ยไม่รักษาอ่ะไม่สักุลนี่พิจารณาแก้ไปด้วยความเจ็บไข้ละ่ะทีนี้ของที่มีและบุคคลที่เราก็มาอยู่ด้วย เราอาจจะจากเขาได้เขาอาจจะจากเราได้ไม่ประมาทงั้นทำความดีให้แก่กันพูดดีๆให้กันรักษาของชอนิดที่มันจะดีๆไม่มีของมากเกินไปหรือไม่ก็ลุ่มหลงในสิ่งที่มีอยู่เงี้ยอันนี้จะช่วยรักษาความมวัวเมาได้แต่ในประการที่5ว่าคนเราต้องมีคำเป็นของของตนจะนานไปในพระอะไรนั่นก็เพราะว่าคนเนี่ยมันมีสุจริต แล้วก็ทุจริตทนั้นแหละพราะมีสุจริตมีทุจริตเฮ้พอเห็นข้อนี้ว่าเอ้ยฉันต้องรับผลของกรรมนะไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามก็จะสามารถกําจัดสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายวาจาที่จะทําใหม่นะั่นแะไม่ให้มันเกิดขึ้นได้สะสมกระทําสิ่งที่เป็นสุจริตคือความดีทางกายวาจาใจให้เกิดขึ้นได้ไงจะไม่ประมาทในการการะทํา ทางกายวาจาใจนี่จะเป็นประโยชน์ให้ทุจริตทางกายวาจาใจมันเบาบ้างให้สุจริตทางกายวาจาใจหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นฐานะแห่งการพัฒนามันจึงจะมีได้ไม่ประมาทมัวเมาเห็นไหมทดานฟังว่าคำสอนของพระรชุธเจามันจะสอดคล้องรองรับกันหมดเลยนะเราไล่ออเรียงมาตั้งแต่ฐานะข้อที่หนึ่งคือฐานะสีประการ ฐาะข้อที่สองคือฐานะ3ประการฐานะข้อที่3มคือฐานะ1ประการฐานะข้อที่ส น, น, นี่คือฐานะ5ประการว่าควรพิจรนารณาหนึ่งเนื่องและฐานะข้อที่6กตัวฝังเป็นธรรมะข้อสุดท้ายในวันนี้ฐานะข้อที่6กนั้นมี5ประการว่าฐานะที่ใครใคไม่พึงได้ไม่ว่าจะเป็นสมณพราหม์เทพมารพรมหรือใครใคก็ตามคือขอไง ขอฐานะเนี่ยขอฐานะนี่ก็คือหมายถึงอ้อนมอนขอร้อง น, นั่นเองอ้อนวอนขอร้องว่าสิ่งที่แกยากแก่นะโนนคุณจะไม่ได้อ้อนวอนขอร้องว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้เนี่ยที่ว่าเราพิจารณาให้ เ, หเป็นธรรมดาก็ออกมาเงี้ยยาเจ็บไข้านะอาอ๋อมันจะไม่ได้ไงสมณะปรามเทพมารพรมหรือใครใในโลกไม่ได้นะ เมือ่อขอพรต่อใครนี่ขอพรต่อพระพุทธรูปหรือเทวดาที่อยู่หน้าโรงพยาบาลนะ่ะขอของที่มีความตายว่าอย่าตายเลยนี่มันได้ที่ไหนอ่ะแม้แต่พระที่เราไปขอหรือเทวรูปที่เราไปขอรูปปั้นรูปอิดปูนเหล่านั้นก็ยังต้องมีความสิ่งไปมีความตําลายไปเป็นธรรมดา จะมาขอของสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือมันไม่ได้นะพระพระสงฆ์เนี่ยนะภิกษุที่คุณไปขอนี่เขายังไม่ได้เลยขอพรพระอย่างนี้ท่านให้พร้อนหน่อยให้หายเจ็บให้ไข้ พระนีดูดิคุณฟังรู้ไหมว่าพระนี่เป็นอาชีพที่เป็นเบาหวานมากที่สุดในประเทศอ่สะสัดส่วนเปอร์เซนต์เตจแล้วอาชีพพระสงฆ์นี่เป็นเบาหวานมากที่สุดอ่ะยังเจ็บไข้เลยเราจะมาขอของที่มีความเจ็บไข้ว่าอย่าเจ็บไข้นะท่านมันจะไปได้งไงคนเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่พ้นจากความเจ็บไข้ไปได้จะทำไม พิจารณาไปก็ให้เราไม่เมาไม่มัวเ ม, ม, มาประมาทในความมีชีวิตอยู่ไงประมาณที่ยังไม่เจ็บไข้เนี่ยนะทําอะไรอ่ะทำความดีสิทําความดีที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันต่อไปและอนาคตมันไม่น่าพอใจหรอกไอ้ความเจ็บไข้นี่ยไม่น่าพอใจอยู่แล้วแต่จะทํำยังไงแล้วให้มันเกิดประโยชน์อ่ะสุจริตตั้งกายวา จ, าจาใจไงระว่าทําได้ในขณะที่เจ็บไข้ในขณะที่ จอความสิ้นไปเจอความชิบหายอย่างได้อย่างหนึ่งเราแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสุจริตขึ้นในตะวันทั้งสมทางกายวาจาและใจได้ทุกฝังพัฒนาได้ด้วยฐานะต่างๆเหล่านี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะทุกฝังวันนี้กัปปเจ้ายกพระสูตรมาหลายพระสูตรเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานะโดยทั้งสิ้นฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญสี่ประการ ฐานะแห่งความที่มีศรัทธาสามประการดูเรื่องประโยชน์และความชิบหายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจฐานะแห่งศรัทธาสามประการจะ ด, ดูว่าเรามีกำลังคือศรัทธาหรือไม่ก็ดูที่ว่ามีการใครจะฟังทำใครที่เชน่อผู้มีศีลหรือเปล่าเป็นต้นฐานะอีกหนึ่งประการ คือความที่ว่าจะทำพัฒนาอากขุศรธรรมเป็นในแนวนี้ได้หรือไม่นะั่คือเรื่องของการโกหกชนิดลิ่มทิมประตูนี่คือฐานข้อที่3ฐานะข้อที่4คือฐานะที่ควรพิจารณาเนืองๆ5อย่างเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากการมีคำเป็นของของตนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาและฐานะข้อสุดท้ายมี5ประการ คือฐานะที่ไกลๆไม่พึงได้ไม่ว่าจะสมณพราหม์เทพมารบรมหรือไกลๆก็ตามในเรื่องการขอการอ้อนวอนว่าแก่เจ็บตายสิ้นไปชิบหายอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ทั้งฐานะ5ข้อเหล่านี้ทุกฝั ง, งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องที่ถ้าเมื่อเราเอามาใครกรวนพิจารณาแล้วปัญญาเราจะเกิดทุกาั่ง ให้มีการพัฒนาอินทรีย์พัฒนาพลังบัณฑิตพลังปัญญาในใจิตใจของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันแก้ไขปรับปรุงส่วนต่างๆความสัมพันธ์การงานเรื่องการเงินการเรียนให้ชีวิตเราดำเ น, นินดำรงอยู่ในทางธรรมะดำรงอยู่ตามเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานนั่นเองขอได้มาฟทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญา พระบริทูเ้าได้มอบเอาไว้ส่งผ่านมาถึงสามกทั้งหลายหานมาสู่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามอบต่อให้ธรรมบุฟังได้เป็นผู้ที่ไปตามทางเดียวกันอันมีนิพพานเป็นที่สุดจบในช่วงได้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับธรรมบุฟังเป็นประจำในตุวนันพุธตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ท่านจะมาติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา org โดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมห า, ายบูรณ์หาพีุ่ณโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จวัสดีคร